บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้หากมีข้อสงสัยสามารถคลิกแทบ็บ Comment แล้วแสดงความคิดเห็นได้ปรับปรุงดูแลเว็บไซต์24ชั่วโมง